ภาคปฏิบัติก็จะถามอารมณ์แต่ไม่ถึงกระสอบอารมณนะ์นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนเพราะนั้นความแป ร, รปรวนเปลี่ยนแปลงของอารมณ์มันจะเป็นไปค่อนข้างเร็วแล้วก็จะเป็นไปนในฝ่ายนิวรแฟนอกุศลมากกว่าดนนการตรวจสอบอารมณ์ <c oughs> ในช่วง ปฏิบัติทั้งแต่ละวันในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่เราจะได้ปกป้องเข้ามาสู่ทางที่เป็นกุศลได้มากขึ้นนะถ้าสมมุติว่าจิตของเราด้ขณะปฏิบัติมันไรลไปสู่อำนาจของอกุศลเพราะทุกขเวทนาต่างๆกลุมเรามันก็จะเชะไปนอกทางไปไกลเป็นเหตุให้เสียเวลาในการปฏิบัติ เริ่มต้นถามจากคุณวิชัยก่อนคุณวิชัยเมื่อวานนี้เป็นยังไงช่วงเช้ากับช่วงบ่ายอารมณ์ตต่างเปลี<อ>่ยนแปลงแปลี่ยนปไม่ไม่ค่อยต่างไม่ค่อยไม่ค่อยบีบคั้นเหมือนกับวธีวิธีที่เคยอ้าวนี่ไปเจออากาดร้อนผมผมไม่ได้ออกมาเดินผ อ, อมาเดินข้างนอกนไม่ได้เดินเดินอยู่ใต้หลังคาที่พักมันเป็นทางเดินเป็นระเบียบกล้าสายเดินเดินที่ตรงนั้น ถ้าแดดสองมากๆก็หลบเข้ามาเดินข้างในข้างในผูน้ะักถ้าร้อนมากๆก็จะมีผ้าปุยเนบบ็กๆชุบน้ำแล้วก็คอยเช็ดมน้าหน้าเช็าชตาก็ก็ก็ดีขึ้นใช่ไหยก็ความด้านความเั้นสิบตัวก็อยู่อยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ที่ทีว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเกณฑ์มันมี ความคิดบ้างเล็กน้อยครับ<ต><ต>ส่วนใหญ่กะจะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าในช่วงร้อนแดดกอ็อย่างใช้น้ําบ้างใช้อะไรช่วยนะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีผ้าผืนใหญ่ๆก็ได้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าอะไรก็ได้ต้องช่วยช่ยคือในช่วงบ่ายที่ ร, ร้อนเนี่ยในวิธีการของพ่อของพ่ออนุ ญ, ญาตให้หาวิธีบำบัดทุกขเวทนาเกิดจากร้อนได้เต็มที่ไม่ถือว่ากลัวไม่ถือว่า ออนแอและไม่ถือว่าเป็นการต่างใจตัวเองแต่เป็นการช่วยให้ร่างกายเนี่ยไม่กระวนกระวายเกินไปที่หลวงพ่อว่าเมื่อ ว, า, วานะไม่ได้แผงโซลาร์เซลล์หรือมันร้อน จ, จัดมันก็ไม่ชาตนะมันจะต้องมีน้ำขึ้นไปล้างหน้าแผงฉโลมให้หน้าแผงได้เย็นเพื่อที่จะชาร์ดได้ลักษณะผิวของคนเนี่ยเหมือนกับหน้าแผงโซลาเซลล์มันจะต้องรับเวทนาทุกอย่างตลอดเวลา ก็สามารถบรรทาบำบัดได้เพราะนั้นก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นในมุมต่างๆที่ในช่วงบ่ายเวลามันร้อนเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ฟีว่าคุณต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้คุณหลบอยู่ตรงไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าเวทนามันพอสู้ได้นะเคยวนหนุ่มเวานเป็นไงบ้างสู้เวทนาไหวไหมในช่วงบ่ายช่วงเช้าคงไม่ต้องพูดถึงเนาะช่วงเช้าจนถึงเพลนี่ก็พอสู้กันไหวนะ้ช่วงบ่ายเป็นไงบ้างตั้งแต่บ่ายตั้งแต แตาเทเี่ยงยนไปถึงถ้ลทสี่โมงห้าโมงเป็นไงในการวิธีแก้ไขเวทนาของคุณก็เ อ, อาอชาชพน้อาชน้ำแต่ว่าสถานที่ก็ก็ย้ายไปเรื่อยๆหรือว่าใช้ที่เดียวที่เดียวที่เดียวคอรับเสร็จแล้วก็รู้สึกดีขึ้นั้มดีขึ้นใช่แต่ความรู้สึกก็ไม่ถูก บีบคัน้นมากเท่าดมีบอลรบวนไหมช่วงบายเท่าไหร่นะแต่ความจริงก็เป็นโอกาสที่เราถือโอกาสว่ามีเวทนา <c oughs> เวทนาดังใดงก็ดีอย่างจริงของเราไม่ค่อยไหลลื่นไปเพลินในเรื่องอารมณ์อื่นเพราะมันจะต้องงัวมาปอกเวทนาที่ปัจจุบันน่ะนะทําให้เราตื่นตัวอันนี้ก็ข้อดีของมันถ้าเราฉวยโอกาสเป็นนะแต่ละหากว่าสติ สัมยาต์ที่เราไม่เข้มแข็งพอแล้วก็อาจจะคิดเลิดไปเรื่องอื่นคิดอยากจะหนีอยากจะกลับบ้านคิดอยากจะไปนอนคิดอยากจะไปทําอะไรให้มันคือไม่อยากจะอยู่ในสภาพนั้นน่ะ น, นะมันนักจะเป็นอย่างนั้นนิวรต่างๆจะรบ ก, กวนกขโอเคนะช่วงบ่ายเมว่วนเป็นบวกนะโอเคใช่ได้หนุ่มไปไงแก้ไขอย่า ง, งนี้เมื่อวานอารมณ์ในช่วงบ่ายหรือว่าอันนี้ไปนอน แก้ไขยังแบบไงมืวานตอบยังไฮะําลรังหน้าแล้วเผอหลับไหมไม่หน่อยเอไม่หน่อยมื่อหลวงพ่อไม่ได้ดูเลยคือในช่วงบ่ายหลวงพ่อจะไม่บรบกวนให้นักปฏิบหาวิธีต่อสู้แก้ไขตัวเองก็แล้วกันจะพาทําทําความเข้าใจช่วงชาวถึงเพนให้ชัดเจนแต่ช่วงบ่ายให้แต่และคนไปหาวิธีป้องกันตัวเองบำ บ, บัดตัวเองเท่าที่จะอยู่ได้ <c oughs> ที่จะไม่ เป็นเหตุให้นิวรและกุศลรบกวนมากเกินไปยมโลดไปไงบางวันก็อาการ้อนก็เครื่องไถวยการกยวไปเรื่อยๆเดินสรับตังก็มันเดินเดินแล้วรู้สึกเมื่อยก็พอตั้งแล้วมันก็จะมีเวทนาที่เป็นควสงสูขึ้นาเนี ทำไม่เพลินแล้วสิ่งที่ตั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มเปวันก็เปลี่ยนยะต่อไปเลยแต่ว่าดีบอนเป็นยไงไม่ดีเพราะว่าเราจะองเปลีนครับเปลี่ยนไม่เพลินเนาะคือนุวงพ่อเน้นในเรื่องความเพลินไม่เช้าคุยกับพระใหม่เราลูหนึ่งว่า ควาเพลินดูเหมือนจะเราจะละมันยากถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะละมันนะนะใช่ไหมนีบทนั่งเนี่ยถ้าเรานั่งเก้าอี้เนี่ยมันจะเพลินได้ง่ายนีด น, น้อยนั่งเท้าคางเราพอเห็นนเองละเพราะฉะนั้นวิธีการไม่ให้เพลินก็นั่งขยับมาข้างหน้าสักครึ่งก้นอย่านั่งเต็มก้นถ้านั่งเต็มก้นมันอดพิงไม่ได้พอพิงปั๊บเนี่ยการน้ําหนักศูนย์ถ่วงของเราจะเสียไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะครึ่งหนึ่งมันจะเสียไปอยู่ที่ การพิงใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ไม่มีพลังตื่นรู้พอละที่จะไปรู้เท่าทันความเพลินของพ่อบอกขยับขานาขึ้นนิดหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเผื่อเอาหลังไปแตะพนักมันนั่งหลั ง, ลงตรงเอาไว้อันนี้ใช่สุขแล้วก็จะเสียบเบียรจนนุมัติอ่านั่นคือวิธีคือถ้าสังเกตว่าระหว่างถ้าจะถามว่าระหว่างความเพลิน ปีติอันเกิดจากการปฏิบัติต่างกันอย่างไรเนี่ยตรงนี้ให้ไปืั้งๆคอสังเกตนะปีติจากการเกิดการปฏิบัติเราเสมือนเพลินแต่มันมีการตื่นรู้แล้วมีความสงบมีความผ่อนคลายมาใช้คํานั้นน่ะมีความผ่อนคลายรู้เนื้อรู้ตัวชัดอันนั้นเป็นปิติจะการตื่นรู้แต่ถ้าหากว่าความสบายเกิดจาการเพลินเพราะได้เสกสุขเนี่ยมันก็จะเป็นอุ้งูปแบบหนึ่ง จิตของเรามันจะไม่ตื่นรู้จิตของเรามันจะหลไปกับนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งน ะ, ะเช่นเพลินในสุขเวทนามันก็จะออกมาในรูปของความห่วงซลืมสลือเล็ดสงบดับตาและก็เสพ น, นั่นคือความเพลินที่ออกมาในรูปของนิวรณ์มันจะออกมาในรูปของนิวรณ์เสมอไม่ว่าในฝ่ายที่เป็นตัวสุขเวทนาหรือทุกเวทนาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความตื่นรู้ ปิติเกิดจากการถือรู้เราก็จะเห็นชัดอันนี้เข้าใจนะโยมพ่อใหญ่เป็นยังไ้างเมื่อวานแก้ไขนวันได้ดีมัมมย้ย เดินในที่ร่มเลยที่แดดที่่มแต่ว่าแดดสองอ๋อพอเหยียบทาไปน้ร้อร้อนทาวก็ยกขึ้นมาก็หายอ่าที่นีก็ไม่กแต่ว่านีมันก็ติดิดว่าอยากให้มันอากมร้อนะได้อสตัวก็ไปมา่าที่ติดว่ามันเป็นความอยากบาา ก็เพลินในทุกเวทนา<ม>เพลินในทุกเวทนาได้เหมือนกันแล้วก็มาเยทางเดินเดินเรียบ้ไปหยียบทรายเียทรายรู้ความรู้สึกัเราเปียจากที่เดินเดิมที่มันร้อนไปเดินที่ทรายใช่ไหมความร้อนก็ไม่มี แต่ว่านิวรณ์ไม่รบกวนเมื่อวานรบกวน่วงหรือเบื่อมุ่งหนึ่นะเพียนเพราะนั้นในคาว่าความเพียนเนี่ยเพียนในการสี่สถานหนึ่งเพียนเฝ้าระวังว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นหรือเปล่าสองเมื่อ พอมไม่สบายไม่ว่ากายและใจเกิดขึ้นเกินพิกัดหรือเกินกว่าที่เราจะทนมันได้ก็ให้ปรับออกจะพ้นทนได้คําว่าทนได้หมายความว่าทุกเวลาทางกายต้องต้องไม่ไปสร้างความอพอใจไม่พอใจทางจิตได้ว่าทนได้แต่ถ้าหากว่าทุกโวทนาเลยสุขเวทน า, าที่เกิดจากทางกายเข้าไปมีผลต่อจิตทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจหรือเกิดชอบติดใจหรือเกิดความ สงบหรือไม่สงบนั่นหมายความว่าทุกวทนาทางกายมีผลต่อจิตแล้วนั่นถือว่าทนไม่ได้ลนั่นอทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปบีบคั้นจิตหละจะไม่ใช่ว่าทนได้ทนไม่ได้หมายถึ ง, งมันต้องปวดเต็มที่ฉันทนได้ไมั้ยรู้ไหมว่ามันมันอาจจะปวดเต็มที่หรือไม่ปวดเลยแต่ว่าจิตของเราเริ่มเสพเอาสุขทุกข์กที่เกิดจากกายนั้นแล้วเรียกว่าทนไม่ได้แต่ถ้าทนได้อยู่ คุณจะปวดขนาดไหนคุณจะสบายขนาดไหนแต่ว่ามันมีผลต่อจิตเลยนั้นเรียกว่าทนได้เข้าใจไหมอ่าซึ่งไอ้ตรงนี้เรายังเข้าใจกันไม่ถูกทนได้ไหมายความว่าร่างกายต้องปวดเต็มที่เลยทนได้แต่จิตก็ต้องถูกบีบคั้นด้วยนี่ถือว่าเราก็เสียปกติของจิตแหละจิตเสียปกติเพราะทุกอย่าทางกายบีบคั้นเกินไปหรือบางทีทนได้สบายคือก็เพลิน เพลินก็ทนได้สบายใช่ไหมแต่ก็ทำให้จิตเสพติดในความเพลินนั้นด้วยอันนี้ก็ทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้ต่อสุขเวทนาทนไม่ได้ต่อสุสขเวทนาก็ต้องทนแต่ทนแบบเสพแต่ทุกเวทนาก็ทนทนแบบหนีแบบกลัวแบบพอให้เกิดที่วนตัวอื่นนี้เรียกว่าเป็นตัวองค์ของความเพียนอันที่สองคือละในส่วนที่เพลินไม่ได้เพราะเราเสพทางใจ อันที่สามพยายามที่จะปลุกตัวตื่นรู้รู้เนื้อรู้ตัวความชัดเจนไม่ว่าสุขเวทนาทุกเวทานารับรู้มนอย่างชัดเจนรับยุ่อย่างชัดเจนว่าบัดได้ก็บำบัดบำบัดไม่ได้ก็เฝ้าดูต่อไปนะอันที่สี่เมื่อมันชัดเจนโปร่งเบาสบายแล้วก็ทรง คือเรรักษาสภาวะนั้นไว้ดูนานๆว่ามันจะเป็นยังไงมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปอย่างไ ร, งไรต่อไปไหมเพียนคือเพียนลักษณะ น, นี้ไม่ใช่เพียนที่ว่าเดินจงกรมสร้างจังหวเอาเป็นอดใจต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงทำว่าอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะมันั้นไม่ได้ถือว่าเพียนน ะ, ะเพียรหรือหมากถึงหนึ่งเฝ้าดูเฝ้าระวังสิ่งที่เกิดกับกายจักใจสองส่วนไหนที่จะกระทำให้เกิดสมุทยัยคือทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจต้องละ ส่วนร่างกายเราบำบัดโดยธรรมชาติมันอยู่แล้วแ่ะอันที่สามคือพยายามปลูกตัวตื่นรู้เนื้อรูตัวแบบแบบไม่เพ่งแบบผ่อนคลายเนี่ยให้เกิดขึ้นเสมออันที่สี่เพียงที่จะรักษาภาวะที่ตื่นรู้เบาสบายเนี่ยให้นานที่สุดแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นการเสรอันนี้แล้วก็เพียงที่ถูกต้องถ้าไปเพียงแบบเอาเป็นกระจายทําทั้ง อันนี้โดยที่ไม่ได้ใส่ ใ, สใจต่อเก่อเงือนไขทั้งสี่การดังกล่าวแล้วก็ถือว่าเพียรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สัมมาวายามะเป็นมิจฉาวายามะซึ่งมันจะไม่ก่อให้เกิดผลต่อเป็นสมาสติสมาสมาธิต่อไปอันนี้ว่าด้คยองค์งหลักปฏิบัติสักก่อนอโยม <c oughs> ไม่ชีเป็นไงบางาวานันแก้ไขตัวเองได้ดีไหม าอเป็นยังไงนะว่าเป็น นิดนึ่งะคกราคิดจะรไปเมอกับแบบการสออะไรกัวิจารณ์ข้นก็จะค้่อาง่อ้ค้มก็เลคุณมจริงแล้ว เราก็เฝ้าระวังองค์ของเฝ้าระวังตอนแรกเราก็ไม่ได้ละเพียนเนี่ยนะเพียนเดิมเหมือนกันแต่ว่าเพียนงเดิมอยู่ในความคิดแต่เราความจริงเราเฝ้าระวังความคิดที่มันมันไม่ได้เกิดจากสตินนะความคิดที่เกิดจากนิวรณ์เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังและจัดการนั่นหมายความว่าเราทำอยู่แต่ว่าความเพียนเราไม่จัดการตรงนั้นไม่ได้ละ ต้องวิใช้วิธีอื่นเลยถ้ามันรู้สึกแต่เรารู้รู้ตัวว่าอันเนี้ยนี่เราเพลินตอนแรกมันอาจจะคิดดีในทางเป็นธรรมนะพอมันหยุดไม่ได้เพราะเราไม่เฝ้าระวังไม่จัดการไม่เกิดการประหารไม่ละมันก็เลยก่อให้เปิดความฟุ้งซ่านไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แก้ไขใหม่ก็นแะล้วเพราะความเพลินเป็นไปทั้งที่ส่วนนิวรณ์ฝ่ายง่วงและฝ่ายฟุ้งซ่านได้ถ้าเพลินในสุขเวทนาออกมาเป็นความง่วงติดสงบ เพลินในทุกเวทนาออกมาเป็นความฟุง้งซ่านและสงสัยและงุน ง, งิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้เพลินมีทั้งสองด้านด้านบวกด้านลบถ้าเพลินในด้านบวกเราเรียกว่าปีติเพลินในด้านลบเรียกว่า น, นิวรนเข้าใจนะวันนี้เราไปแก้ใหม่ดึกยุมน้องเป็นไงบ้างวันนี้เออเมาื่อวานไปแก้ไขเวทนาต่างๆได้ดีไหมอือ ยืมเงนพราไปร<ง>ับอาหารมันไม่ตื่นมันซึมซึมือานหมดครับโอเคแล้วไม่ตื่นแต่ทำไงให้มั น, มนตื่นมันซึมมันมันเื่อมมันบอาต้อง <laughs> ว, ว่านาไม่ได้เลยถ้าน ก, ก, ก, ก้างบเมากป<ห>แล้ ว, แ ล, วลแล้วเวลาเดินไปไงบ้างตื่นไหม เมื่อวานที่เราช่วงเช้าเรามีการสาธิตในการแก้ไขด้วย ว, วิธีการต่า ง, างๆการเดินระดับต่างๆเราก็ไปใช้ดูไหมไ้ระดับได้ได้ทีเดียวเฉพาะที่เดินแล้วก็หยุดแล้วก็ให้หายใจหาเป็นยิ่ร้อนมากนเือโอได้นั่นตัวนั้นมันจะเข้มเกินไปไอตัว s อ t คทีสีโดยเฉพาะมันเป็นหายใจเข้ามันอาจเอาไว้แล้วทาให้เกิดการ เราต้องเพ่เปลี่ยนใช้เป็น อ, อีกตัวหนึ่งตัวที่ที่ผ่อนคลายกว่านนะั่นคือตัวที่สามคือตัวที่หนึ่งก็ได้อาจจะเข้าตัวที่สามที่เมื่อวานนะ่นนะนี่คือตัวที่สามี่นั่งรูปเล่นสบายๆนี่นะแต่วันนี้ในช่วงหลังอาหารเช้าแล้วหลวงพ่อจะสาธิตการใช้ตัวที่เจ็ดลมหายใจเข้าออกแบบแการเคลื่อนไหวสาธิตไว้บ้างแล้วนะแต่ว่ายังยังไม่ชัดเจน ก็ลองใช้ดูอุบายในการแก้วิธีการเดินวิธีการนั่งแต่ละเออในช่วงหลังทานอาหารเช้าจะสาธิตการนั่งทั้งสิทั้ง10จังหวะ10บท่าด้วยนะคือทั้งหมดทั้งปวงที่สาธิตไปเพื่อเอาไปแก้ในช่วงที่มันมีนิวรอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามา แ, แก้ไม่ตรงนะลองใช้อันนี้บ้างใช้นี่ใช้ไปเท่าไหรนิวรณมันก็งงมันมันเข้าไม่ติดเหมือนกันเหมือนเราแก้มัน อ, อ, อันนี้ก็พยายามอยู่ใช่ไหมพยายามที่จะแก้อยู่ แต่ความร้อนว่าไงสไ ห, วไหความร้อนสู้ไหวอ่าแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมันคือมันไม่ก่อใช่ใช่รู้สาเหตุไหมที่หลวงพ่อบอกเมื่อวานนะ่ะว่าเราเคยเสพสุขในเวทนาที่ดีมายาวนานพอมาเจอเวทนาที่ตรงกันข้ามมันจะหมดกำลัำลงเลยนะเพราะอย่างโยมเนี่ยมักจะเ อ, อเวลาทางานอยู่ในห้องแอร์วีในรถก็ใช้ห้องแอร์ หรือเวลาอยู่ที่บ้านอากาศร้อนนี่ก็จะต้มีห้องแ อ, แอร์เราจะเสพโดยที่ไม่รู้ตัวแต่เราจะรู้พิษสงของมันแต่ว่าเรามาเจออากาศตรงกันข้ามมันจะหมดกำลักำลงกับเราเลยอันนั้นคือพิษสงของมันช่วงพราะว่าเมื่อวันอะ่ะมันสวิงไปนี้เต็มที่จมวันนี้เต็มที่นะแต่พ้กลับมาที่มันก็จมเต็มที่เหมือนกันซึ่งในภาคปฏิบัติเราจะต้องศึกษาเวทนาในชมที่เราเย็นสบายก็อย่าไปเสพ เออลองออกมาอยู่ที่ไม่เย็นสบายที่สุดคือเปรียบเทียบเสมอนะแล้วจะเป็นยังไงเช่นเราอยู่ในห้องแอร์ตั้งเป็นชั่วโมงเออลองออกไปข้างนอกสักพักได้เป็นยังไงบ้างว่าความรู้สึกคือเป็นการตั้งใจที่จะศึกษานี่ลักษณะของผู้ปฏิบัตินะต้องการศึกษาเวทนาร่างกายก็มีผลได้รับคือร่างกายจะไม่ชินกับตัวสุขสบายนานเกินไปทางร่างกายเขาสุด เวทานาที่สบายก็ เ, ยเขาก็เสพโดยธรรมชาติของเขานะ่ยเวชชั้นเตยานเนี่ยมันเสพอยู่แล้วและจิตของเราก็จะเข้าไปเสพด้วยเพราะฉะนั้นที่มากล่า ว, มาวาเมื่อวานเมื่อใดก็ตามคุณกินอาหารอร่อยคุณเกลือผัดสะที่เบาสบายถ้าเผยอเสพไปลึกเท่าไหร่เมื่อไปเจอภาวะตรงกันข้ามคุณก็ต้องเจ็บปวดลึกเท่านั้นเหมือนกันหมดกำลัำลงไปเหมือนกันนะอันนั้นเป็นเป็นภาวะที่ร่างกายมันวิ่งหาความสมดุล นั้นก็ลองลองศึกษาต่อไปเลยกันเราก็คุยเรือแต่เก็อยากจะขอจบที่หล่อพูดเมื่อเช้วก็สงสัยมาตลอดหรือว่าอาจารยกมือแล้ยกแล้วมันมันยกตลอดแล้วมันได้อะไรอ่ะแต่ว่าที่หลพ่อพูดอย่านี้ค่ะอยากจะจบแล้วก็ไปศึกษาในวันี้ค่ะว่าเพียงสอย่างอย่างนี้ใช่ใช่คือว่าอันนั้นจตุปวัตจะบรรลุกิวัติใช่ ใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวจะให้ไฟเสียงไปทีหลังเพราะอ่านไว้อย nice mm? ู่ฮะเดี๋ยวเดจะเอาเก็บไว้เดี๋ยวผาจะให้ไฟลเสียงไปนะครับคุณเป็นไงบ้างเมื่อวานสู้กับเวทนาไหวไหมเราเป็นไงเป็นได้บวกได้ลบเมื่อวานช่วงบ่ายได้บวกนะเลืออออ วิธีแก้ไขร้อนจัดๆทำไงเวทนาร้อนวิธีแก้ทำไงระหลั า, างความม่วงกับความฟุ้งซ่านมูหงงิดไหนมากกว่าม่วงจะน้อยฟุ้งจะมากกว่ามูหงงิดมีไหม น้อยนะอันนั้นก็แสดงว่ากำลังของสติชัมยาไวาขึ้นแล้วตามได้เร็วขึ้นปรับแก้ได้ไวขึ้นนะอันนี้ก็หอคนเราทำมาหลายวันแล้วนะกลังของสติสัมยาเราขึ้นแข็กนะอ่าโยมจำชื่อไม่ได้ดูมันเลยนะนุเ<ไ>ปิลเป็น ไ, ปไงบ้างเมื่อวานสู้เวทนาไหวไหมั้ยอ่าฮะ ไอ้เตหุนศรต้นนั้นใช้ได้นะใช้ได้เลยตรงนั้นอ่าฮะอ่าฮะ ร้อยกว่า huh. ม uh ือตตอยเย็นับง่วงรู้สึกว่าใส่เกล้าม่วงเข้ามาพอเราไปเสพเย็นน่ะพอไปเสบรู้สึกสบายนั่นแหละมันก็ออกมาเป็น่วงเลยนะรู้เลยพอหลับตาเนี่ยม่วงมันเข้ามาแทรกในตีก็เลยไม่หลับตานแล้วก็เแบบก็ายร้องก็จะแบบต้องลืมตาขึ้นมาอืม เห็น ไ, ไหมถ้าเราเพอเสยแม้แต่เล็กน้อยนะยุบอนปรากฏเลยอ่าอ่าทันทีเลยนะนยใช่ใช่เพราะการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเฝ้ราระวังคือการเรียนรู้นะการเรียนรู้เราแก้ได้มากได้น้อยเนีย่ยขึ้นอยู่กับกำลังของเรา แล้วแต่ว่าใครเฝ้าระวังได้ได้ได้เร็วกว่าก็จะแก้ไขได้ไวแต่บางคนเฝ้าลองรู้แล้วนะมันแต่มันเซบอะ่ะกําลังของปัญญาไม่พอในการเจ๊งแก้ตรงนี้คื อ, ขอเขาเรียกว่าความอ่อนเขาเรียกอินซีอ่ะอ่าเป็นถอยหลังครับเพราะนั้นอุบายวิธีการยืนการเดินการนั่งที่บอกเนี่ยให้เอาไปใช้ตอนนั้นแหละ แต่บางคนก็นึกไม่ได้เลยนะพอเสยเพลิ่มก็นึกไม่ออกเลยว่าจะแก้ไขยังไงใช่ใช้ยาแล้วก็ใช้ใจด้วยใช่ใช้เข้าแลใช่าไปนี่จะช่วยนี่รู้สึกว่าตื่นตื่นตัวได้ไวขึ้นโอเคอาโยมนี้ว่างเป็นไงเมื่อวานแก้ไขเรื่องทุกเวรทาาได้ดีไหมอ่า ยมยมผู้ชายยมผู้ชายลุกไปรับอาหารก่อนนะเฉพาะยมผู้ชายก็ว่าบับต่อโยม โอ้โหขนาดนั้นเลยนะทำไมมันไวขนาดนั้น <laughs> โอ้โหไวไฟจริงจริงอันนี้วอ น, นินี่เป็นน้ำมันเ็นซินเลยนะแตะไฟไม่ได้ใขไฟไม่ได้ปุบ๊บเรื่องสนวันนี้คงตั้งใจแก้เลยนะอวันนี้ก็เมื่อวาน วันตอนที่หลวงพ่อสาธิตการเดินการนั่งที่นี่ได้ทําอยู่เนาะไม่ได้นึกนึกไม่ออกเลยจะไม่มีวิธีแก้หรือไม่ได้ใช่เลยเออเอาออกไปแก้หน่อยนะเอาไปแก้ดูบ่อยๆนึกบ่อยๆก็คืออย่าไม่ยอมนั่งให้มันเลยเพรางั้นเด็กคือจะเดินด้วยอย่างหลายๆแบบอย่างที่ว่านะเดินออกข้างเดินเข้าหน้าโดยถอยหลังโดยช้าตามลมหายใจเดินเร็วตามลมหายใจ ถึงพ่อสาที่เมื่อวานนะ่ะลองใช้อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วมันก็จะตินตัวได้ไวแต่ถ้าเราเพลินแล้วมันมันนึกไม่ออกกับพวกนี้นะเพราะนั้น